2. สนิททานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ96พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกามวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้น วิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นกรรมวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นวิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกรมสัญญาความหมายรู้กาม เกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมธาตุกรมสังกัปปะความดําริในกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมสัญญากรมฉันทะความพอใจในกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมสังกัปปะกรรมปริลาหะความเร่าร้อนเพราะกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรมฉันทะกรมปริเยสนาการแสวงหากามเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามปริลาหะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหากามปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสมทางคือทางกายทางวาจาทางใจพยาบาทสัญญาความหมายรู้พยาบาทเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทธาตุพยาบาทสังกปะความดำริในพยาบาทเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทสัญญา พยาบาทฉันทะความพอใจในพยาบาทพยาบาทปริลาหะความเร่าร้อนเพราะพยาบาทพยาบาทปริเยสนาการสแสวงหาพยาบาทปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสแสวงหาพยาบาทปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจวิหิงสาสัญญาความหมายรู้ความเบียดเบียน เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุวิหิงสาสังกัปปะความดำริในความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาสัญญาวิหิงสาฉันทะความพอใจในความเบียดเบียนวิหิงสาปริลาหะความเร่าร้อนเพราะความเบียดเบียนวิหิงสาปริเยสนาการแสวงหาความเบียดเบียน ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสแสวงหาวิหิงสาปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ พึงถึงความพินาศย่อยยับอุปมาณ้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นสมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งไม่รีบละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถืงความไม่มีอีกซึ่งอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณะหรือพรามนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วพึงหวังทุขติได้เนคขมวิตกความตรึกในการออกบวชมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอภยบาตวิตกความตรึกในความไม่พยาบาทมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกความตรึกในความไม่เบียดเบียนมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้น เนคขมวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอพยบาตวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคือเนคขมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมธาตุเนคขมสังกับปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมสัญญาเนคขมฉันทาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมสังกับปะ เนคขมะปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคคมะฉันทาเนคขมะปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคคมะปริลาหะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาเนคคมะปริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจอภัยาบาสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอภัยาบาส ท, ทาศ อพยาบาตสังกปากเกิดขึ้นเพราะอาศัยอพยาบาตสัญญาอพยาบาตฉันทะอพยาบาตปริลาหะอพยาบาตปริเยสนาอาริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาอพยาบาตปริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจอวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ อวิหิงสาสังกปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญาอาวิหิงสาฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสังกปะอวิหิงสาปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาฉันทะอวิหิงสาปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาปริลาหะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาอวิหิงสาปริเยสนา ย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งเขารีบดับคบหญ้านั้นด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่จึงไม่ถึงความพินาศย่อยยับอุปมาณ้ฉันใดอุปมาีก็ฉันนั้น สมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งรีบละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณะหรือพรามนั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังสุขคติได้สนิธานสูตรที่สองจบ